พี่น้องลูกหลานเขามาทางในี้นะลูกหลานนะประจําที่หลวงพ่อสิบวอย่างให้ฟังสักน้อยจากนั้นก็จะมีการประพรมนม้ําพระพุทธมนต์เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับลูกหลานญาติพี่น้องบ้านเฮ้าหรือว่าภูที่มากรวมงานและก็พร้อม ก, กันก็เมื่อลองพ่อสิบวอย่งให้ฟังอ็ชาติน้าพระพุทธมนต์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นสิริเป็นมงคล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 หลวงพ่อก็ได้เด็เข่าไปออกจากวัดตั้งแต่ตีสีนะ่พ่อไปหอดว่าหลวงปู่ลี่หลวงปู่ลี่กุสละทาโอเพิ่เนเงินสุขภาพพดีแล้วอายุมากแล้วอะไรเลหลวงพ่อก็เลยเป็นเป็นหัวหนา้าเป็นผูผ้านั่มสัดท่าญาติโยมลูกศิษลูกหาองคหลวงตานี่นนะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ประกาศในวัด ปาวันาดาว่าเออวันที่13เนอะที่วันที่13กรกฎาห้าหกหลวงปู่รี่พ่นส่างเจดีผ้าแดงเราก็พวกเขายังพระน่านร่วมกลุ่มกันคณะสิด ท, ทั้งหลายลูกศิดลู ก, ลกหาหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายแหละเนี่ยมานได้ร่วมกลุ่มกันหลวงพอ่อขอประกาศเนอะชัฏทาญาติโยมผอมผอมขปสงหนุกนอกนงทั้งหลายวันที่ส3นายจะเป็นทอด่าป่ า, ปาสามค เพื่อสางเจดีย์พิพิธภัณฑ์พอหลวงปู่ลี่หลวงปู่งไงหลวงปู่ลี่เข้ากับเพิ่นกับสางเพื่อถวายองค์หลวงตาไวบนผ้าแดงพวกเข้าในฐานะลูงหลานน้องลุงทั้งหลายก็ช่วยๆกันเด้อคนละไม่คนละเมื่อร่วมกลุมกันบานนี่ตะกอนต่างข้นกับต่างถวายอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ถวายเพิ่นสามเถื่อนหรเด้อหลวงพ่อประกาศเมื่อวาน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 แต่ได้มาแล้วปรจากเก็บโปรจากเก็บโจกรักษาได้มาได้หาใส่ซิฟุูนะวัจจิลุ่ยได้จังไรคันว่าเห้ า, าหามาได้สิบบาทเห้าก็เก็บไว้สักสองสามบาทใส่ไปซี่ห้ากหากบาทหกเจ็ดบาทจำนวนจานวนที่เก็บไว้มันก็คอยพอะพูนขึ้นเรื่อยๆต่อไปพายภาคนาเห้าก็จะได้ใส่ส่วนเกินนั่นแหละที่เข้าเก็บไวไ้วเวลาเขาเจ็บใครได้ป่วย พ่อแม่พี่นองเก็บไข่ได้ป้วนเขาจะได้ใส่เงิ่สนวนนั่นอะไรเรื่องวิธีการประหยัดพ่แม่นมีเท่าไรใส่เท่านั้นใส่กับมดอีลีละ่ะไฟนั่นให้พวกเข้าหูจักหาหูจักเก็บหูจักใส่นี่แหละเศรษฐกิจพ่อเพียงหูจักหาการหาทรัพย์กำมันขยันหามาแล้วพวกหูจักเก็บไรเลยคือการคับตรงองนาําหัวชนะคู่กระป่องหัวชนะ